เป็นบัญญัติที่ปฏิบัติตามเปรียที่แต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเรามีอาชีพเรามีหน้าที่ให้มีความให้มีศรัทธาต่อหน้าที่ต่อจุวดวดพิธีวัดต่ละวินาทีแต่ละ มาตีแวงวงต่ละชั่วโมงแต่ละเวลาแต่และวันให้ส ม, ม่ำเสมอเมื่ีศรัทธาปฏิบัติหน้าที่อยู่นอนิดตรงอะไรก็ยอมมีความสำเร็จตั้งใจไว้เชิงใดเพราะมีความสำเร็จในเชิงนั้นในโลกนี้ สิ่งที่เราจะต้องทำหนะ้าที่ที่เราต้องทำหาว่ายากมีอยู่ในตัวเรารอบตัวเราเอโอกาสจะทําความดีทุกลมหายใจที่สิงใดผู้สิ่งใดทำสจ่งใดซึ่งเป็นทวารของยิถของกายของอาจารยใจของเรานี่เป็นทวารแห่ง การสร้างความดีและความชั่วสะดวกกว่าอย่างอื่นแล้วจึงไม่น่าจะจนเรื่องความดีอาทุชีวิตที่ไม่จนความดีความดีที่อยู่ในชีวิตชีวิตหนึ่งก็ขยายไปสู่อีกชีวิตหนึ่งต่อสภาพจึงทั้งหลายทั้งปวง จึงก็เกิดสิ่งกันลอบเกิดคุณประโยชน์ขึ้นมาร่วมกันรวมกันร่วมกั น, มกนไม่ใช่ตัวเดียวตัวใครตัวมันความดีที่เกิดจากกายวาจาใจจากคิดที่ทุปกตีทำดีมานี่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสิ่งองื่นวุตถุอื่น ต่อวัตถุอื่นต่อโลกตัวใดโลกทั้งโลกอย่างพุทธเจ้าตรัสไวว่าโลตัถธิริยาประโยชน์ต่อโลกพุทธจัจจุลิยาประโยชน์ต่อธรรมญาตัทิริยาประโยชน์ต่อญา ต, าาตาทุกคนก็มีญาต ที่เกี่ยวข้องหนีไม่พ้อนอย่างเรอตรวนน้ำฝนเช้าสดทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกใีภูมิทั้งสารมีอะไรก็หน่วยทั้งสมีขันหขันมีขันขันเดียวมีขันสีขันกลังเท่าเทียมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ยูฮิฟูฮิภพขุนต่อโลเซนวิดามานดาันตา โอภาอาจารย์ก็ปฏิเิธไม่ได้แล้ ก, ก็มนก็มีพ่อมีแม่ให้เรามาอยู่ที่นี่คนอื่นก็เจียวข้องกับเราอยู่ลูกชายของพ่ขอของแม่เขามาอยู่เป็นนักบวชลูกสาวของเขามาเป็นนักบวช <บ> <PTSD> ปฏิบัติธรรมน้องเขาวถือเขาผมพ่อชีบอันสีเรื่องๆขนผมเวลาออกจากบ้านจากเดือนไม่เกี่ยวคนโดยบ้านเรื่อนแล้วก็จะหวางใจเห็นที่พึงหวังพึ่งลูกชายเขาจะเป็นคนดีลูกสาวเขาจะเป็นคนดีเมื่อเขาเป็นคนดีเขาก็มีความสุขเป็นผลกระทบทางที่จิตวิญญาณของอีกหลายหายคน แล้วเราเองก็มีมีโจทย์มีนี่อย่างนี้ไม่ควรประมาทเกิดมามานั่งอยู่ที่ใดมาเกี่ยวก็อโคนอื่นทั้งนั้นคู อ, อื่นช่วยเรามาทั้งนั้นเห็นตัวบุคคลเป็นคุณพ่อคุณแม่ร้อยคนย่ตัดต่จิตยาไปเจอกันไม่ได้ นอกจากนั้นกับแม่แต่อากาศเราหายจีวิรอบที่เราอยู่ยิ่งเพิกเราบริโภคกีวอนมิตราบาเสนาสนาคิลณนาเพชรของขนทั้งหลายเราใดให้เจได้ประโยชน์อย่าให้เป็นศูนย์เปล่าเหมือนขนหล่อนเพื่อเช่นใดก็อยากได้ผลเช่นนั้นเอาล่ะ ไม่ปฏิบัติเกิดวัดวิธีวัดหน้าที่ปฏิบัติตตตทำธรรมว้ น, นัยแล้วก็ศูนย์เปล่าทั้งสองฝ่ายเราก็ศูนย์เปล่าผลดื่นก็ศูนย์เปล่าเราได้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อญาติต่อโรคต่อธรรมต่อพระาศาสนาเราจึงเป็นโจทย์ ที่จะพ้องเราอยู่เดี๋ยวนี้เราทิ้งอะไรมาทิ้งลูกทิ้งเหยื่อมาก็มีทิ้งงานทิ้งการมาทิ้งหน้าที่การงานมาว่าจะ ด, ดูแลมาจะช่วยเหลืออะไรเป็นโจทย์ตัวหนึ่งที่ทำให้เราเลยสดุ้งขึ้นมา ได้จะมาเล่นมานอนที่นี่หรือมันนอนไม่ลงเลื่นไม่ได้อาจะเป็นบาปาที่สุดเราเปรียบคนอื่นเราเปรียบโลกเราเปรียบศาสนาเอาเปรียบญาติายยาพี่น้องคนดื่นหลังเชืาหน้าสุดดินอยู่เราจะมาเล่นอยู่ดีกระโถมันไม่ได้ เ, เป็นบาปเป็นกรรมจริงๆ ถูกะลกมีมากถ้ายกเป็นเตะดีมากอยู่กาสเห็นเจอตัวถึกกูกาดเกียดกรนมงแบบปั้นโจทย์มันก็อยู่ไม่ได้ต้องพิพากษาเรื่องนี้ให้ได้มันคุ้มค่ารืยยืดตัวกวบมาลูกสาวของพ่อของแม่ลูกชายของพ่อของแม่คนนี้ไม่เสียค่าน้ำนม ถ้า ไ, ได้มีความคิดแบบนี้ออกมาจากหัไทยหัวใจตักดึกสักหนึ่งก็ยังดีจะได้คุ้มขาและจะได้ทำหน้าที่มีความดีสามารถจะเผ่เมตตาตดน้ำไม่อย่างองอาจคนมีความดี คิดดีพูดดีทั้งดีนั่นก็เป็นผลกระทบตอบจริงอื่นตอบทั้งหลายทั้งปวงว่ามีความดีนั่นก็เหล่ามีน้ําใจมีความดีว่าออกไปทางว่าจาะชดดึกไปท้งใจการกระทาทั้งรลายก็เป็นความดีไม่รู้จบหมดจกสิน้นเพราะมันเป็นบุญเป็นธรรมแล้วเกิดจากคนคนหนึ่งก็ เป็นพกทุบตอกๆๆอะไรหลายหลายอย่างแ ล, ลุ้มค่าแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียหนีมาบวชทิ้งงานทิ้งการมาบวชยิงพ่อทิ้งแม่หนีมาบวชสละอะไรหนีมาบวชคุ้มค่าแล้วไม่ปรีจะได้ประโยชน์จากการออกบวดจากบ้านจากเดือนไม่เจ็วข้องเลยว่าเดือนแล้วมีค่ายิ่งขึ้น หนานของเราก็มีอย่างนี้หน้าที่ก็มีทุกโอกาสจากนี้ก็เหมาะแล้วเหมาะสมแล้วที่มีชีวิตยอย่างนี้ไม่ต้องทำมาหาชีวิไม่ต้องรับจ้างไม่ต้องทํำอะไรก็มีสิทธิไปบิน ท, าท้าบอดไม่เป็นบาปเลยมีสิทธิให้คนนั่งกราบนั่งไหว้ มีสธีรับสิ่งของจากผู้ออกมาให้ประโยชน์ที่เราได้ทำมันมากกว่านั้นแค่เท่านี้กับก็คุ้มค่าเราก็ไม่อายโดยเองไม่ได้หลอกโดยเองไม่หลอกคนอื่นแล้วก็สมควรแล้วอาจจะไม่สมกับชีวิตของเราโดยซ้่วไป ามดีเกิดจากกายจากวาจาจากใจเราที่ได้ใช้ชีวิตมามันมากกว่าแล้วชีวิตของเราผิดผลดีที่เกิดจากการจากใจของเราเป็นส่วนรวมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นส่วนตัวเลยอสดัยว่าเราเกิดมาไม่มีชีวิตใช้ชีวิตจากชีวิตของเรากลายเป็นสิ่งส่วนรวม เห็นเพิ่กระทบตัวจริงป ะ, งปะส่วนรวมนะววมดีดอกชีวิตของเราที่ปลกตนสอนตอนมันก็คุ้มค่าถ้าเราไม่ได้มีชีวิตนี้สิขาแลยถมเป็นการเลี้ยงชีวิตด่ชีวิตหมาแบบนี้มันก็ไม่มีใครรับประโยชน์ สองงัดมองในคนกราบคนไหว้ได้รับทานสิงของได้บินเทมบัดได้พุ่มฆ่าเข้าจุกน้ำแข็งขอคนเงินที่เขาให้ยกมือไหว้ทั่วหัวนั่นแล้วจึงถ้าพูดเรื่องเร้าเขาส่บาทมันถึงหัวใจของเรา เลยว่าอะไรต่ า, างๆมาจากเวลานั้นตามที่ปฏิบัติอย่าความนี้แบบนั้นเราจะกราบินธบาทเรยคดลบเมื่อเราบินธบาทแเราจะบบาเร า, บบารู้ตัวธบาทเกิดเะไรที่นั่นขณะนั้นแล้วใจของเราว่าเราคิดถึงไงอย่าตาปัจจยัย่ า, างภาวะตะมังนังตะตะมาตะเมเวตังยตัง ว่าว่าอย่างเชล็ดล้างสร้างสรรค์ออกมาจากใจผู้หให้ก็เป็นแต่ธาตุผู้รับก็เป็นตตแต่ธาตุเป็นไปตามเหตุแต่ปัจจัยนิดไม่ได้ไมีอะไรเกิดขึ้นในขณะ น, น, นั้นผลทำเกิดขึ้นมาทําตทีเพราะฉะนั้นเวลารับเบนจบาตติ้องว่ายะถาปะเจยงในใจตามหลักขีปฏิบัติ ที่อุเฉาะจานสอนว่าเราสวดไม่ประมาทแต่ถ้าไม่เกิดีเกิดขึ้นในขนาดนั้นก็จะคิดเป็นอันอื่นไปเป็นความโลภเกิดขึ้นที่นั้นหรือความยดียลายเกิดขึ้นณที่นั้นแย่งกันได้มาเป็นเป็นทั้งบาดพานิชย์สินค้าขายอะไรกัน เป็นะ บ, บาดเวียนเทียนที่ไหนแหล่งไหนกลายเป็นมิจฉาชีพถีระถีเกิดขึ้นมากมายถ้าใช้ชีวิตที่ผิดไม่ดูจิกอ้ายไม่ได้ฝึกตนสอนตนไม่มองตนไม่ดูแลตัวเองไม่แจ้งไขตัวเองก็ไม่รู้จักละอ้ายเลยเกิดความรล้เปิดเปรตขึ้นมาขึ้ น, น, นมาก็ะูนเปล่าไม่มีประโยชน์เล ย, เลย ถาจังมีหน้าที่ตามทำไม่ไหนจงปฏิบัติตามทำไม่ไหนพยเจ้าตัดเชื่อนี้สอนเพื่อวดดานจะเป็นพิ่สูมื่อเถิดดนจงปพึ่บพัดทำตามไม่ทำไม่ไหนนั่นให้เป็นที่ทิ้นทุกข์เถิดแล้วก็มีทางอยู่นี่ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมเกิดขึ้นขณะที่ใช้กาใช้ใจเจ็บเอาเจ็บเอา ความโกรธไม่เป็นธรรมอย่าไปถามความโกรธอย่าไปคิดถามความโกรธอย่าไปคิดถามความโลภ ค, ความหลงผมหมอลู่จิตตัวก็มาลู่จิกตั ว, มมตวปฏิบัติตามทมํามไว้หน่มีอย่างนี้สมบัติได้อย่างนี้สนตนอย่างนี้ทุกโอกาสไว้ใช้อยู่ในห้องเรียนเป็นชั่วโมงนาทีแต่เราไม่ต้องจนเรานี่การศึกษา กายเอาใเป็นตู้ปัตติปีดกตั้งไม่ไหนอยู่ที่นี่เกิดขึ้นที่กาที่ใจนี่วุนก็เกิดขึ้นทีสวรรค์นิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นเอาปัณ น, นั่นแหละวางเสียงทุกเสียงเหมือนฉียงผ้าสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระที่เจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่น การสืบลองให้เกิดขิดเหล่าอย่างสม่เสมออย่าไปจนอย่าไปจนเป็นผู้ไม่จนมีศรัทธามีความเชื่อในการอุบัติขึ้นพระเจ้าเชื่อในพระธรรมที่ทำให้เกิดเป็นพระเจ้าวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติดอกทุกปฏิบัติสมควรเอื้อออกมาจาก ชีวิตเรานี่แสดงออกมานี่เรามีหน้านะที่อย่างนี้ออกให้เต็มที่แล้วอยู่กัด้วยกันให้มีความสนับสนุนมีส่วนรวมส่วนรว ม, ววมซึ่งกันและกันอย่าคิดเป็นอื่นไปซะแม้เราอยู่บนที่มีกติที่อยู่ห่างไกลกันเห็นกันเวลาทําวัดสวดมนต์เวลาฉันเท่านั้น นอกแต่น้องก็ไปคนละทิตศละทางเดี๋ยวนี้เพื่อนเรากำลังเดินอยู่ยงกลมอยู่เพื่อนเรากำลังนั่งบําเพ็ญสมาธิอยู่รอยอย่างไรมองอเงี้ยดีมองเป็นคู่แข่งเอาชิงเวดล้อมเอาเพื่อนมิตรเพื่อผู้เผื่อบีบบ้างทําเผื่อผู้อื่นบ้าง พ่อแม่เราอาจจะไม่ได้ทำอย่างเราล้วก็ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่โตเพื่อผู้อื่นมีแต่การแต่การที่เราจะต้องสร้างความดียิ่งเรามีวิชากรรมฐานตามที่พเจ้าได้ขีดเส้นไว้ต้นเพิอมที่ไม่จนเลยกรรมฐานเป็นอาชีพเลย ให้การให้ใจอยู่ในรูปกรรมฐานเป็นนักรรมฐานทำอาหารก็เป็นกรรมฐาน้องหน้ามองช่วมในกรรมฐานนอนเป็นกรรมฐานตื่นเป็นกรรมฐานใช้ชีวิตเป็นกรรมฐานทุกเวลานาทีแม่บ้านกรรมฐานพ่อบ้านกรรมฐานเกษิรกรรมฐานอะไรให้เป็นกรรมฐานที่ตั้งในการทำเป็นความดีความดีมีที่ตั้ง ให้เกิดความดีมีที่ตั้งไม่ให้จนนี่มันก็เป็นค่าของมูดษย์โ ท, ที่เกิดมาเวลาก็เป็นประโยชน์ก็เหล่าตรงนั้นเออฝืนขวายนี้ศรัทธาอย่าท้อถอยบอกบันบาบอกบันมาช่วยเงาไหลขย้อยบันหลงง่ายหลงนี่ความบาบันคมแก่นก้า คือความเหยนมันท nice ok ุกไม่ทุกกลุ side, ่มสิทตัวทุกโอกาสนี่คือความแข็นก้าความเข้มแข็งความศรัทธาความบากบันอ้าวพให้หลงเป็นหลงชี้เกียรเป็นชี้เกียรทุกเป็นทุกจลิตเป็นจลิตมันไม่บอกบันมันเป็นความเกียดติข้านปฏิบัติอย่างเร็วได้ผลอย่างเร็วไม่ได้เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีกรืความไม่ดีก็อยู่ในชีวิตเราตลอดจนตาย เราเปลี่ยนมันทุกัง้งทุกเขานะเกิดความดีในชีวิตเราในปัจจุบันนี่ได้มากไปผลในชาติปัจจุบันนี่เวลานี่อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นเอาให้ปั่นนั่นชีวิตขอเรามีสิทธิในเรื่องนี้ร้อยเอร์ฉันเอาไหมเจ้าเนี่ยนะสมควรใจ่ไหมล่ะ